ฌานที่ชื่อว่าปริตตะเพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีอานุภาพน้อยดุดถูกกัดคือถูกบันรอนรอบด้านฉะนั้นฌานที่ชื่อว่าปณิตะเพราะอัตวิเคราะห์ว่าถึงความเป็นฌานดีเลิศฌานที่มีในท่ามกลางแห่งฌานทั้งสองชื่อว่ามัชิมะฌานท่านพระพุทธโคสาจารย์กล่าวไว้ในอัตตกถาโดยไม่แปลกกันเลยว่า บรรดาชาญสามนั้นชาญที่เพิ่งได้ยังไม่เสบคุ้นชื่อว่าปริตาชาญอันหนึ่งท่านกล่าวว่าชาญที่เจริญยังไม่ดีนักมีวสีภาพยังไม่บริบูรณ์ชื่อว่ามัชชิมชาญส่วนชาญที่เจริญดีอย่างยิ่งมีวสีภาพบริบูรณ์โดยครบถ้วนชื่อว่าปณีตชาญมีคำชี้แจงว่า ก็ในที่นี้ท่านอาจารย์ประสงค์ถึงแม้ปริตรชาญที่ได้ความเสพคุ้นนิดหน่อยเท่านั้นจริงอย่างนั้นในคัมภีรนามรูปปาปริเชตท่านพระอนุรุธทธาอาจารย์นั้นกล่าวถึงการให้วิบากแห่งมหัศจธรรมทั้งหลายเพราะเป็นธรรมมีกําลังโดยได้ความเสพคุ้นจากธรรมที่มีภูมิเสมอกันแล้ว จึงกล่าวถึงความไม่ผลตผลแห่งอภิญญาเพราะไม่มีการได้ความเสพคุณจากธรรมที่มีภูมิเสมอกันนั้นว่าเมื่อได้ความเสพคุณจากธรรมที่เสมอกันเมื่อมหกตากุศลมีกำลังมากมีอยู่มหากตากุศลนั้นจึงผลติตผลในวงเล็บส่วนอภิญญาไม่ได้เหตุเช่นนั้นจึงไม่ผลติตผล อีกอย่างหนึ่งฌานที่พระโยคาวจรให้เกิดด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอย่างกร่มชื่อว่าปริตฌานฌานที่พระโยคาวจรให้เกิดด้วยอธิบดีธรรมมีฉันธาธิบดีเป็นต้นอย่างกลางชื่อว่ามัชฉิมะฌานฌานที่บุคคลให้เกิดด้วยอธิบดีธรรมมีฉันธาธิบดีเป็นต้นอย่างประณีตชื่อว่าปณีตฌานดังนี้แล พอทีไม่ต้องให้พิสดารมากนักข้อว่าปัญจมัชฌานังภาเวตวาได้แก่เจริญปัญจมัชฌานทั้งสามอย่างที่ยังไม่ถึงความเป็นอภิญยาก็ความที่ปัญจมัชฌานที่ยังไม่ถึงความเป็นอภิญยาแล้วไม่มีวิบาก ท่านอาจารย์ให้สมร็จแล้วด้วยคำว่าอรัตถาตาทิสังดังนี้เป็นต้นส่วนอาจารย์ทั้งหลายมีอาจารย์ผู้แต่งมูลดีกาเป็นต้นยังความที่ปัญจมชฌานที่ยังไม่ถึงความเป็นอภิญยาแล้วไม่มีวิบากนั้นให้สมร็จแม้โดยประการอื่นก็คำของอาจารย์ผู้แต่งมูลดีกาเป็นต้นนั้นพึงเห็นโดยนัยะที่กล่าวไว้โดยย่อในคัมภีร์นั้น และโดยพิสดารในอภิธรรมมัธะวิกาสณีในคำว่าสัญญาวิราคังภาเวตวานี้มีอธิบายว่าเฉพาะพวกเดรธีผู้เป็นกรรมกิริยวาทีจเจริญภาวนาเป็นเครื่องสำรอกน้ำด้วยอำนาจทำน้ำให้ถึงสภาวะมีการไม่บังเกิดในภพที่ตนจะพึงได้ ด้วยกําลังภาวนานั้นแล้วย่อมเกิดขึ้นในพวกอสัญญีสัตว์ได้ด้วยกําลังภาวนาในวายโยกสินหรือในอากาศกสินที่กําหนดไว้ตามมติของอาจารย์บางพวกโดยเห็นโทษในความเป็นไปแห่งนามโดยนัยเป็นต้นว่าสัญญาเป็นโรคสัญญาเป็นฝีหรือโดยนัยเป็นต้นว่าหน้าติเตียนจิต จิตนี้น่าติเตียนแท้ดังนี้และโดยความตกลงใจในความไม่มีความเป็นไปแห่งนามนั้นว่าเป็นธรรมชาติประนีตพึ่งเห็นความหมายว่าแต่สัตว์เหล่านั้นตายอยู่ในมนุษย์นี้โดยอิริยบาบถใดย่ยอมบังเกิดในพวกอสัญญีสัตว์นั้นโดยอิริยาบถนั้นเหมือนกันข้อว่า อนาคามโนเปอุ ป, ปัชชนติความว่าพระอริยบุคคลทั้งหลายที่เป็นพระอนาคามีเท่านั้นจเจริญปัญจมาฌานแม้ทั้งสามอย่างในการที่ยังเป็นปุถุชนเป็นต้นหรือแม้ในการภายหลังแล้วย่อมเกิดในชั้นสุดถาวาดห้าชั้นตามลำดับความเป็นใหญ่พิเศษแห่งอินทรีมีสัตทินีเป็นต้น มีวาจาประกอบความว่าพระโยคาวจรทั้งหลายจเจริญอรูปาวจรกุศลจิตตามลำดับย่อมเกิดขึ้นในอรูปาวจรภูมิตามลาดับก็บทว่ายถากรมังได้แก่โ ด, โดยลำดับรูประชานที่หนึ่งเป็นต้นก็คำว่ารูปาวจรละกุสลลำปณ ะ, ะดังนี้เป็นต้นแม้ทั้งหมด ท่านพระอนุรท ธ, ธาจารย์กล่าวแล้วด้วยอํานาจฌา น, นนั้นๆนั่นแหละซึ่งมีภูมิต่างกันแต่เมื่อยังมีความติดใจพบอยู่ปุถุชนเป็นต้นย่อมบังเกิดในที่ใดที่หนึ่งซึ่งเป็นภูมิของฌานตามที่ได้แล้วเว้นสุดท่าวาดอันหนึ่งย่อมบังเกิดแม้ในกามาพบด้วยอํานาจกามาวจรกรรม สมจริงดังพระธราราชที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายการตั้งความปรารถนาแห่งใจมั่นของผู้มีศีลย่อมสาเร็จเพราะเป็นผู้บริสุทธ์ดังนี้เป็นต้นส่วนพระอนาคามีทั้งหลายย่อมไม่ยังความติดใจในการมาพบให้เกิดขึ้นเพราะละการมรารคะได้สิ้นเชิง เพราะเหตุนั้นจึงบังเกิดในที่ใดที่หนึ่งซึ่งเป็นภูมิของฌานตามที่ได้แล้วเว้นโลกที่เป็นกา ม, มาวจรความจริงมีการกำหนดแน่นอนว่าเฉพาะอนาคามีบุคคลเท่านั้นย่อมบังเกิดในพวกพรหมชั้นสุทธาวาสแต่ไม่มีการกำหนดแน่นอนว่าพระอนาคามีนั้นย่อมไม่บังเกิดในที่อื่น ก็เพราะอธิบายความดังกล่าวแล้วอย่างนี้ท่านอาจารย์จึงกล่าวไว้ว่าเฉพาะอนาคามีบุคคลทั้งหลายย่อมเกิดในพวกพรมชั้นสุทธาวาสบุคคลทั้งหลายเว้นอนาคามีบุคคลเสียย่อมเกิดในกามธมาตุพึงเห็นความหมายว่าแต่อนาคามีบุคคลเหล่านั้นแม้เป็นสุขวิปัสสะ ในเวลาใกล้ตายก็ย่อมทำสมาบัติให้บังเกิดได้โดยแน่นอนแท้เพราะเป็นผู้มีปกติทำให้บริบูรณ์ในสมาธิแต่พระพุทธโคสาจารย์กล่าวไว้ในอัตตกถาว่าฝ่ายพวกผู้หญิงจะเป็นพระอริยะหรือไม่ใช่พระอริยะก็ตามมีปกติได้สมาบัติแปดย่อมบังเกิดเฉพาะในพวกพรหมชั้นพรหมปาริสัจจา อีกอย่างหนึ่งเพราะบรรดาภพมีพรมชั้นปาริสชาเป็นต้นนี้ภพชั้นเวหภะละชั้นอากานิทะและรูปภ พ, พที่สี่เป็นภพประเสริฐที่สุดพระอริยบุคคลทั้งหลายบังเกิดแล้วในภพทั้งสามนั้นย่อมไม่อุบัติในพรมโลกอื่นอันหนึ่ง พระอริยบุคคลทั้งหลายบังเกิดแล้วในพรหมโลกชั้นสูงสูงขึ้นไปที่เหลือย่อมไม่บังเกิดในพรหมโลกชั้นต่ำๆสมจริงดังคําที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้ดังนี้ว่าพระอริยบุคคลทั้งหมดผู้ดํารงอยู่ในชั้นเวหาภะละชั้นอากานิทะและชั้นภวกะพรหมแล้วย่อมไม่เกิดในพรหมโลกชั้นอื่นอีก พระอริยบุคคลทั้งหลายผู้อยู่ในพรหมโลกแล้วย่อมไม่เกิดในพรหมโลกชั้นต่ำๆในคําว่าอายุขเยนะเป็นต้นพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้ความตายเพราะความสิ้นอายุตามที่กําหนดไว้ในคตินั้นๆในเมื่ออานุภาพแห่งกรรมแม้ยังมีอยู่ชื่อว่าตายเพราะสิ้นอายุ ความตายเพราะความที่กรรมซึ่งให้สำเร็จพบนั้นนั้นมีวิบากหมดสิ้นแล้วในเมื่อความเหลือลงแห่งอายุที่กำหนดในภพนั้นและเมื่อความพร้อมเปรียงแห่งปัจจัยมีคติและการเป็นต้นแม้ยังมีอยู่ชื่อว่าตายเพราะสิ้นกรรม ความตายเพราะอายุและกรรมสิ้นไปพร้อมกันทีเดียวชื่อว่าตายเพราะสิ้นอายุและกรรมทั้งสองความตายแห่งสัตว์ผู้มีสันดานขาดไปอยู่ด้วยความพยายามทั้งหลายมีการนำศาสตรามาฆ่าตนเป็นต้นซึ่งเป็นไปด้วยกำลังอุปเฉ ท, ทกกรรมบางอย่างที่สาเร็จแล้วในภพก่อน หรือว่าด้วยอำนาจให้เคลื่อนจากฐานในทันทีดูดความตายแห่งพระเจ้าทุสิมานและพระเจ้ากลาภุเป็นต้นเพราะกรรมซึ่งมีความสามารถถูกอุปเชทกกรรมอันสัตว์สังสมแล้วด้วยความพยายามบางอย่างที่ตนกระทำแล้วในพวกท่านผู้มีคุณมากห้ามเสียแล้ว เป็นธรรมชาติไม่สามารถในการยังอัตภาพนั้นๆให้เป็นไปได้ในเมื่ออายุและกรรมทั้งสองนั้นยังมีอยู่ชื่อว่าตายเพราะกรรมเข้าไปบรรร้อนก็ความตายเพราะกรรมเข้าไปบรรรอนนี้ย่อมไม่มีแก่พวกสัตว์นรกพวกชาวอุตรกุรุทวีปและพวกเทพบางเหล่า เหตนั้นอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าความตายเพราะความพยายามหรืออุปัเฉตกะกรรมพึ่งมีแก่สัตว์บางเหล่าความเกิดขึ้นคือความเป็นไปแห่งความตายชื่อว่ามะระุปปติบทว่ามรณกาเลีได้แก่ในเวลาใกล้าตายบทว่ายถารหังได้แก่เหมาะสมแก่สัตว์ผู้จะเกิดในคตินั้นๆ ก็ธรรมชาติมีนามธรรมและรูปธรรมเป็นต้นตามที่ปรากฏแก่พระขีณาสกผู้ไม่เกยขึ้นในภพไหนๆ น, นั่นแหละถึงความเป็นอารมณ์แก่จิตทั้งหลายมีจุติจิตเป็นที่สุดกรรมและกรรมานิมิตเป็นต้นหาถึงความเป็นอารมณ์ได้ไหมบทว่าอุปรัต t ปุพังได้แก่ ที่ได้มาในปางก่อนด้วยอำนาจการเห็นพระเจดีย์เป็นต้นบทว่าอุปกรณภูตังได้แก่ที่เป็นอุปกรณ์ด้วยอำนาจดอกไม้เป็นต้นบทว่าอุปลรพิตัพังได้แก่พึงเสวยบทว่าอุปโภคา้าภูตังได้แก่คตินิมิตมีนางอักษรวิมานต้นกันลปรพฤกษ์และไยนรกเป็นต้นที่ตนพึงเสวย ความจริงรูปายตนะมีนางอักษรวิมานต้นกันลปั๊บรึกและท้องมารดาเป็นต้นเป็นสุขคตินิมิตรูปายตนะมีไฟนรกและนายนิรยบาลเป็นต้นเป็นทุกขคตินิมิตนิมิตแห่งคติชื่อว่าพคตินิมิตบดว่ากรรมภะะเรณนะได้แก่ ด้วยอนุภาพแห่งกุศลกรรมและอกุศลกรรมซึ่งให้ปฏิสนธิจิตบังเกิดข้อว่าชั้นนางทวารานังได้แก่บรรดาทวานที่ปรากฏหกอย่างตามกำเนิดโดยนัยะที่จะกล่าวต่อไปถ้ากุศลกรรมให้ผลไซในการนั้นกุศลจิตที่บริสุทธิ์ย่อมเป็นไป ถ้าอากุศลกรรมให้ผลซสียในการนั้นอกุศลจิตที่เศร้าหมองย่อมเป็นไปเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงกล่าวว่าวิปัจจมานกะเปกิริถังดังนี้เหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวิญญาณที่กำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในนิมิต หรือที่กำหนดด้วยอำนาจความพอใจในอนุพยัญชนะเมื่อดำรงอยู่ย่อมดำรงอยู่ได้หากบุคคลย่อมกระทํากาละในสมัยนั้นไซข้อที่เขาพึงเข้าถึงบรรดาคติสองอย่างคติใดคติหนึ่งคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานใดนั่นเป็นฐานะ ทีี่จะมได้บทว่าตัโทโหนตังวะได้แก่ดุจน้อมไปในภพที่จะพึงเกิดขึ้นนั้นอีกอย่างหนึ่งบทว่าตัโทโหนตังวะตัดบทเป็นตัโทโหนตังอิวะอธิบายในบทว่าพาหุลเลนะนี้พึงเห็นโดยนัยยะที่กล่าวแล้วในข้อว่าเยบุยเยนะพวันตรเเรนี้อีกอย่างหนึ่ง โดยบทว่ายะถารหังนี้แหละใครๆก็สามารถจะรวบรวมอธิบายนั้นได้เพราะเหตุนั้นบัณฑิตย่อมเข้าใจว่าด้วยบทว่าพาหุลเลนะนี้ท่านอาจารย์แสดงไว้แล้วว่าจิตสันดานของเหล่าสัตว์ผู้มีชีวิตที่ขาดตกลงทันทีย่อมเป็นไปเนืองๆทีเดียวเหมือนจิตสันดานของเหล่าสัตว์ผู้ค่อยๆตายไป หามิได้บทว่าพินวะกรณวะวเสนได้แก่ด้วยอำนาจปรับปรุงตนเสือใหม่ดุดกระทํำในขณะนั้นบทว่าปัจจาศ น, นะมรณสะได้แก่ของสัตว์ผู้มีความตายใกล้เข้ามาแล้วด้วยอำนาจสัตว์ผู้มีอายุประมาณวิธีจิตหนึ่งหรือด้วยอำนาจสัตว์ ผู้มีอายุเกินกว่าวิถีจิตหนึ่งนั้นไปเพียงเล็กน้อยบดว่าวิถีจิตดาวิสาเนได้แก่ในที่สุดแห่งวิถีจิตทั้งหลายมีตถาลัมพนาจิตเป็นที่สุดหรือมีชวนาจิตเป็นที่สุดท่านอาจารย์กล่าวไว้ในคมภีธรรมานุสารณีว่าในบรรดาภพเป็นต้นนั้น วิถีจิตของเหล่าสัตว์ผู้เคลื่อนจากการมมพบแล้วเกิดขึ้นในการมาพบนั้นนั่นเองมีตาธาลัมพะนาจิตเป็นที่สุดวิถีจิตของเหล่าสัตว์ที่เหลือมีชวนาจิตเป็นที่สุดบทว่าพระวังคัคขเยวาความว่าถ้าว่าความเหลือลงแห่งอายุที่ยิ่งกว่าเจ้านะวิถีจิตหนึ่งมีไซ ในการนั้นจุติจิตเกิดขึ้นในที่สุดแห่งพวังคจิตแล้วดับลงหรือถ้าความเหลือลงแห่งอายุเพียงขณะจิตเดียวพึงมีไซในการนั้นจุติจิตเกิดขึ้นในที่สุดวิถีจิตแล้วดับลงก็จุติจิตนั้นมีอดีตกรรมเป็นต้นเป็นอารมณ์อย่างเดียวโดยบทว่า ตัดสานันตรมเมวะนี้ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์ย่อมคัดค้านมาติของผู้ที่มักกล่าวว่าพกมีในระหว่างบทว่าจะถารหังได้แก่ด้วยอำนาจเบอกแก่เวลาทำกรรมและแก่เวลาให้ผลอีกอย่างหนึ่งมีอธิบายว่าเหมาะแก่กรรมที่จะให้ผลคือโดยเหมาะแก่ความเป็นไปด้วยอำนาจอนุสัย หรือด้วยอำนาจธรรมที่เกิดร่วมกันกันกบชาวนาจิตถามว่าก็ท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่าอาวิชานุสยะปริกิเตนะดังนี้เป็นต้นมีใช่หรือส่วนความที่อวิชชาและตัณหาที่เกิดพร้อมกับชาวนาจิตเป็นอนุสัยพึงมีได้อย่างไรตอบว่า ความที่อวิชชาและตัณหาที่เกิดพร้อมกับชวนาจิตเป็นอนุสัยนี้ชื่อว่าไม่พิษเพราะแม่อวิชชาและตัณหาที่เกิดพร้อมกับชวนจิตเหล่านั้นเรียกว่าอนุสัยเหตุเหมือนกับอนุสัยเมื่อกำหนดเนื้อความนอกไปจากนี้จะไม่พึงมีการรวบรวมอวิชชาและตัณหาที่เกิดพร้อมกับอกุศลกรรมหรือที่เกิดพร้อมกับความปรารถนาพม และที่เกิดพร้อมกับชาวนาจิตใกล้จุติจิตเฉพาะอาวิชชาชื่อว่าอนุสัยเพราะนอนเนื่องคือเป็นไปด้วยอาจว่ายัางละไม่ได้สังขารธรรมซึ่งถูกอนุสัยนั้นแวดล้อมแล้วคือห้อมล้อมแล้ว ตันหานุสัยแลเป็นมูลคือเป็นประธานได้แก่เป็นเหตุกระทำ ร, ร, ร่วมกันแก่สังขารธรรมนี้เพราะเหตุนั้นสังขารธรรมนี้ชื่อว่ามีตันหานุสัยเป็นมูลบทว่าสังขารเรนะเป็นต้นความว่าอันกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็ดีอันหมดธรรมมีผัสสะเจตสิกเป็นต้นที่เกิดพร้อมด้วยกรรมก็ดี อันมูทธรรมมีภาษาเจตสิกเป็นต้นนั้นที่เกิดพร้อมด้วยเชวนะจิตใกล้จุติจิตก็ดีให้เกิดอยู่ที่จริงตัณหาย่อมน้อมวิญญาณจิตไปในอารมณ์มีโทษอันอวิชชาปกปิดแล้วสังขารธรรมตามที่กล่าวแล้วอันท่านเรียกว่าสังขารธรรมทรงจิต ย่อมส่งวิญญาณในจิตไปสมจริงดังที่พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าสำหรับเหล่าสัตว์ผู้เกิดในอบา ย, ยภูมิมีอวิชชาที่เกิดร่วมกับจิตปกปิดโทษในอารมณ์มีตัณหาที่เกิดร่วมกับจิตน้อมวิญญาณในจิตไปและมีสังขารธรรมที่เกิดร่วมกับจิตส่งวิญญาณในจิตไป สำหรับเหล่าศาสตร์ผู้มีปกติไปสู่สุขติภูมิที่เหลือมีอวิชานุสัยที่ยังละไม่ได้ปกปิดโทษในอารมณ์และมีตัณหานุสัยที่ยังละไม่ได้น้อมวิญญาณจิตไปส่วนสังขารธรรมทั้งหลายที่ส่งวิญญาณจิตเฉพาะที่เป็นกุศลเท่านั้นย่อมเกิดขึ้นในสุคติปฏิสุนธินี้ คำว่าสัมปยุตตธรรมเอกิปริไคหามานังวงเลิเปิดอันสัมปยุตตธรรมทั้งหลายประคับประคองวงเลิปิดโดยอาจว่าอันธรรมมีผัสสะเจตสิกเป็นต้นประกอบกับตนแวดล้อมประคองโดยเป็นสัมปยุตตะปัจจัยเป็นต้นคำว่าสหชาตา เปภูตังวงเลเปิดเป็นเบื้องต้นโดยเป็นที่ตั้งอาศัยของธรรมที่เกิดร่วมกันวงเลปิดโดยอาจว่าเป็นประธานโดยเป็นที่ประดิษฐ์ฐานของธรรมที่เกิดร่วมกันกับตนสมจริงดังพระตําราชที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า ทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าดังนี้เป็นต้นบทว่าพระวันตระปฏิสันธานะวเสณนะวงไดเปิดด้วยอำนาจสืบต่อพบอื่นวงไดปิดโดยอัดว่าด้วยอำนาจสืบต่อพบอื่นข้างหน้าและพบอื่นข้างหลังดุดเนื่องเป็นอันเดียวซึ่งกันและกัน อธิบายวงเล่เปิดในปฏิสนธิจิตนี้วงเล่ปิดว่าจิตกำลังเกิดเท่านั้นปรากฏไม่ใช่ไปจากภพนี้แล้วจึงปรากฏเพราะว่าทำอะไรอะไรอันเนื่องในภพก่อนย่อมย้ายไปในภพอื่นไม่ได้แม้เว้นเหตุอันเนื่องในภพก่อนเสียแล้วก็เกิดขึ้นไม่ได้ดุดเสียงสะท้อนเปเลวประทีปและ ราประทับเป็นต้นแลเพราะเหตุนั้นโพธีไม่ต้องพิสดารมากนักชวนาจิตทั้งหลายเป็นจิตอ่อนแลเป็นไปชื่อว่าเป็นไปอ่อนอธิบายว่าเมื่ออารมณ์ที่เป็นปัจจุบันทั้งหลายนั่นแลมาปรากฏในมโนทวารด้วยอำนาจกตินิมิตมาปรากฏในปัญจทวารด้วยอำนาจกรรมนิมิตความตาย ย่อมมีได้ในคําว่าแม้ปฏิสนธิจิตและผวังขจิตก็ย่อมได้ความมีอารมณ์ปัจจุบันนี้มีอัตตสังเขปดังนี้ว่าปฏิสนธิจิตหนึ่งดวงผวังขจิตสี่ดวงย่อมได้ความมีอารมณ์ปัจจุบันในมโนทวารก่อน แต่ในปัญจทวารปฏิสนธิจิตอย่างเดียวย่อมได้ความมีอารมณ์ปัจจุบันจริงอย่างนั้นเมื่อจุติจิตเกิดขึ้นในลำดับต่อจากวิถีจิตซึ่งมีตถาลัมพนาจิตเป็นที่สุดซึ่งเกิดขึ้นยึดคตินิมิตรที่เป็นปัจจุบันซึ่งมาปรากฏแก่สัตว์บางตนในมโนทวารย่อมได้ความเป็นไปในอารมณ์ ที่เป็นปัจจุบันแห่งปฏิสนธิจิตในวงเล็บหนึ่งดวงพระวังคจิตสี่ดวงซึ่งเป็นไปในอารมณ์ที่มีอายุห้าขณะจิตในลําดับต่อจากจุติจิตนั้นและย่อมได้ความเป็นไปในอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันแห่งปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นไปในอารมณ์ที่มีอายุขณะจิตเดียวในลําดับแห่งวิธีจิตและจุติจิต ซึ่งปรารภรูปารมณ์เป็นต้นในทัยธรรมทั้งหลายที่พวกญาติเป็นต้นตั้งไว้แล้วซึ่งมาปรากฏในปัญจทวารเป็นไปตามสมควรส่วนความพิสดารบัณฑิตพึงค้นดูโดยนัยะที่กล่าวไว้แล้วในวิสุทธิมรรคหรือในการพน า, นาบทแห่งสังขารปะปัจจัยและวิญญาณในอัตกถาวิพังในคำว่า ชัตวารักให้ดังนี้บัณฑิตพึงประกอบคําตามกําเนิดว่ากรรมนิมิตอันชวนาจิตรับมาทางทวารหกคตินิมิตอันชวนาจิตรับมาทางทวารที่หกแต่อาจารย์อีกพวกหนึ่งพันานาไว้โดยไม่แปลกกันแม้ในปรกรณ์สัจจะสังเขปโดยอธิบายนั้นนั่นแหละท่านธรรมปราลอาจารย์กล่าวไว้ดังนี้ว่า เว้นกรรมในปัญจทวารเสียปฏิสนธิจิตพึงมีได้ในอารมณ์สองอย่างแต่เพราะในอัตถกถาท่านกล่าวไว้ว่ากตินิมิตย่อมมาปรากฏในมโนทวารดังนี้และเพราะความที่ปฏิสนธิจิตที่เกิดทางทวารห้าซึ่งมีกตินิมิตนั้นเป็นอารมณ์ท่านไม่ได้แสดงไว้และเพราะ ในมูลดีกาทั้งหลายท่านกล่าวไว้แน่นอนว่ารูปายตนะที่กําลังกรรมให้ปรากฏแล้วย่อมถึงความเป็นอารมณ์เฉพาะในมโนทวานดุดรูปายตนะมาปรากฏแก่ผู้ฝันและดุดรูปายตนะมาปรากฏแก่ท่านผู้มีทิพยาจักกุยานฉะนั้นเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์ทั้งหลาย จึงไม่รับรองคำของอาจารย์อีกพวกหนึ่งเหล่านั้นในคำว่าปัจจุปนัญจะเป็นต้นนี้พึงมีคำท้วงว่าคตินิมิตมีอารมณ์เป็นปัจจุบันย่อมเหมาะสมก่อนส่วนกรรมนิมิตท่านประสงค์ถึงเฉพาะที่เป็นนิมิตแห่งกรรมที่ให้ปฏิสนธิจิตเกิดเท่านั้นเพราะเหตุนั้นความที่กรรมนิมิตนั้นซึ่งถูกเจวนจิต ที่ใกล้จุติจิตรับมาแล้วเกิดเป็นปัจจุบันได้อย่างไรความจริงกรรมกล่าวคือชวนาจิตที่ใกล้จุติจิตนั้นนั่นเองพึงเป็นตัวให้อารมณ์ตั้งขึ้นพึงเป็นตัวให้ปฏิสนธิจิตเกิดหาไม่ได้เพราะไม่มีความเป็นกรรมอันสัตสังสมแล้วและ เพราะความเป็นกรรมอันตัญหาไม่ให้ยินดีแล้วความจริงเพราะพระบาลีว่ากัตตาอุปจิตตาดังนี้กรรมเฉพาะที่ได้อาเซวนปัจใจบ่อยๆย่อมชักปฏิสนธิจิตมาได้ส่วนในคำพีปฏิสัมพิธามร์เพราะพระสารีบุตรเทระกล่าวถึงปฏิสนธิจิต ฝ่ายสะเหตุกะซึ่งเป็นไปแล้วแม้เพราะปัจจัยแห่งเหตุสองประการในขณะก้าวลงสู่พบกรรมแม้ที่สัตว์กระทําแล้วและสังสมแล้วเฉพาะที่ตัณหาให้ยินดีแล้วเท่านั้นย่อมให้วิบากสเร็จได้ก็ชาวนาจิตที่ใกล้จุติจิตซึ่งเป็นไปในการนั้นดุดเป็นไปในวิถีจิต ที่เสมอกับปฏิสนธิจิตจะพึงได้อาศสวนาปัจจัยบ่อยๆได้อย่างไรและชวนนจิตที่ใกล้จุติจิตเหล่านั้นจะพึงเป็นกรรมถูกตันหายึดไว้ในการนั้นได้อย่างไรอีกอย่างหนึ่งท่านกล่าวไว้ในอัตตกะถาว่ากรรมมนิมิตรที่เป็นปัจจุบันย่อมเป็นอารมณ์แห่งชวนนจิต ที่เกิดทางทวารห้าซึ่งเป็นไปใกล้ต่อจุติจิตแต่กรรมนิมิตที่เกิดทางทวารห้าจะให้ปฏิสนธิจิตบังเกิดย่อมไม่ได้เพราะมีกำลังอ่อนโดยรอบด้านพึงมีคำตอบว่าคำที่ท่านกล่าวแล้วนี้เป็นความจริงแต่เพราะความที่กรรมนิมิตนั้นเป็นธรรมชาติเหมือนกับกรรมนิมิต ที่เป็นอารมณ์แก่ชวนะจิตที่เกิดทางมโนทวารที่สามารถให้ปฏิสนธิจิตเกิดได้ที่ยึดรูปารมณ์เป็นต้นในดอกไม้เป็นต้นเหล่านั้นเป็นไปในการเบื้องต้นแต่วิธีจิตที่ใกล้จุติจิตโดยความตายเกิดมีได้ในเมื่อดอกไม้เป็นต้นที่พวกญาติเป็นต้นช่วยกันจัดแจงไว้ ดำรงอยู่พร้อมแล้วนั่นแหละรูปายตนะเป็นต้นแม้ที่ชวนาจิตที่ใกล้จุติจิตรับมาที่เป็นปัจจุบันซึ่งตกไปในความสืบต่อเดียวกันกับกรรมมณิมิตรนั้นท่านพระอนุรุธทธาจารย์กล่าวไว้โดยความเป็นกรรมมนิมิตรก็เพราะอธิบายความดังกล่าวแล้วอย่างนี้ ท่านพระอนันท์อาจารจึงกล่าวว่าก็กรรมในมิตรที่เป็นปัจจุบันซึ่งมาปรากฏในปัญจทวารบัณฑิตพึงทราบว่าเกิดขึ้นแล้วในความสืบต่อแห่งอารมณ์ของกรรมที่สัตธ์ทมในเวลาใกล้ตายและว่าเหมือนกับอารมณ์ของกรรมตามที่กล่าวแล้วนั้น บทว่ายถารหังได้แก่โดยเหมาะสมแก่ปฏิสนธิจิตดวงที่สองกับดวงที่หนึ่งและดวงที่สี่กับดวงที่สามอารูปราวจรปฏิสนธิจิตเว้นอรูปราวจรปฏิสนธิจิตเบื้องรรมย่อมมีต่อจากอรูปราวจรจุติจิตเพราะอารูปราวจรสัตว์ชั้นสูงสูงไม่สังสมกรรมชั้นต่ำต่ำ แต่เพราะารูปราวจรชานมีกำลังแรงติเหตุกะปฏิสนธิจิตในกามภพซึ่งเป็นวิบากแห่งอุปจาระชานนั้นย่อมมีได้ทูเหตุกะปฏิสนธิจิตและติเหตุกะปฏิสนธิจิตที่เว้นจากอเฮตุกะปฏิสนธิจิตพึงมีต่อจากรูปราวจรจุติจิตด้วยอานุภาพแห่งอุปจาระชานนั่นเอง อเหตุกะาปฏิสนธิจิตเป็นต้นทั้งหมดทีเดียวคือที่นับเนื่องในกามภพรูปภพและอะรูปภพพึงมีต่อจากจุติจิตที่เป็นติเหตุุกะในกามภพตามสมควรติเหตุกะาปฏิสนธิจิตเป็นต้นนอกนี้พึงมีเฉพาะในกามภพต่อจากทุเหตุกะาจิตและอะเหตุกะจิต แต่ลำดับต่อจากปฏิสนธิจิตดับลงชื่อว่าแต่ลำดับต่อจากปฏิสนธิจิตดับลงข้อว่าตาเทวจิตตังความว่าจิตนั้นนั่นเองชื่อว่าจิตเพราะถึงโวหารว่าจิตนั้นเหตุเหมือนกับปฏิสนธิจิตนั้นเหมือนโอสถเหล่านั้นนั่นแลเพราะถึงโวหารว่าโอสถฉะนั้นข้อว่าอสติ วิธิจิตตุ ป, ปาเทเชื่อมความว่าเมื่อไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิธีจิตทั้งหลายในระหว่างในระหว่างจิตดวงนั้นนั่นเองจึงเป็นจุติจิตดับลงอธิบายว่าปฏิสนธิจิตเป็นต้นย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนไปจนกว่ามูลแห่งวัฏะจะกขาดมีวาจาประกอบความว่า ปฏิสนธิจิตผะวังคจิตวิถีจิตและจุดิจิตย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนไปในภพนี้ชันใดความสืบต่อแห่งจิตนี้มีอาทิอย่างนี้คือปฏิสนธิจิตและผะวังคจิตก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปในภพอื่นใหม่ชันนั้นแต่อาจารย์บางพวกกล่าวเนื้อความแห่งบทว่าปฏิสันธิผะวังคะวีถิโยนี้ว่ากระแสแห่งปฏิสนธิจิต และพะวังคจิตโดยอธิบายว่าเพราะท่านพระอนุรุทาอาจารย์แสดงเฉพาะการรวบรวมจิตที่พ้นจากวิถีไว้ในปริเฉดนี้การรวบรวมเฉพาะปฏิสนธิจิตพะวังคจิตและจุติจิตเข้าไว้ในปริเฉดที่ห้านี้จึงเหมาะสมแล้วคำนั้นเป็นเพียงมติของอาจารย์พวกนั้นเพราะท่านประสงค์ถึง การกล่าวย้ำปฏิสนธิจิตพระวังคจิตวิถีจิตและจุติจิตทั้งหมดนั่นเองที่ท่านรวบรวมไว้ในประวัติสังคหะวงเล็บเปิดปริเชตที่สี่วงเล็บปิดนั้นในที่สุดแห่งการแสดงประวัติสังคหะความจริงเมื่อเป็นเช่นนั้นย่อมเกิดมีการรวบรวมปฏิสนธิจิตเป็นต้นทั้งหมดนั่นแล ด้วยเอตังสั์ในคำว่าปฏิสังขยะปเนตามัทวังนี้ด้วยดีท่านผู้รู้ทั้งหลายคือบัณฑิตทั้งหลายพิจารณาได้แก่เห็นเฉพาะซึ่งความไม่ยั่งยืนคือความไม่เที่ยงได้แก่สิ่งที่มีความแตกสลายเป็นธรรมดานี้คือซึ่งเป็นไปในวัฏฐ ต, ตามที่ท่านกล่าวแล้ว เป็นผู้มีวัดงามโดยการละนานคือตลอดการละนานบรรลุแล้วคือทาให้แจ้งแล้วซึ่งทางอังไม่จุติคือยั่งยืนได้แก่ความไม่เคลื่อนไปเป็นธรรมดาคือทางพระนิพพานด้วยมรรคยานและผลญาณต่อแต่นั้นเองเป็นผู้ตัดกิเลสเครื่องผูกพันคือความเยื่อใหญ่ได้เด็ดขาดด้วยดี จกักรลุถึงคือจักบรรลุถึงความสงบคือพระนิพพานธาตุอันปราศจากอุปธิกิเลสที่เหลือพนานาความป ร, ริเฉทที่ห้าในดีการอภิธรรมมัฏฐสังคหะชื่ออภิธรรมมัฏฐวิภาวินีจบแล้วด้วยประการชนี พันานาความปริเฉดที่หกท่านพระอนุรุทธาาจารย์ครั้นแสดงอาจแห่งพระอภิธรรมสองประการคือจิตหนึ่งเจตสิกหนึ่งดังพันานามาชนีก่อนแล้วบัดนี้เมื่อจะเริ่มแสดงรูปและพระนิพพานในลำดับต่อจากรูปนั้นจึงกล่าวว่าเอตาวตาดังนี้เป็นต้นมีวาจาประกอบความว่าเพราะ คือเพราะว่าทำทั้งหลายคือจิตและเจตสิกซึ่งมีประเภทและประวัติการคือที่มีประเภทดังกล่าวไว้แล้วโดยสามปริเฉดด้วยอำนาจนิเทศและปฏินิเทศเป็นต้นและที่มีประวัติการดังกล่าวไว้แล้วโดยสองปริเฉดด้วยอำนาจประวัติการและปฏิสนธิการข้าพเจ้าในวงเล็บพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จำแนกไว้เสร็จแล้ว ด้วยคำมีประมาณเท่านี้คือโดยห้าปริเชตฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวรูปซึ่งมาถึงเข้าตามลำดับบัดนี้ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์หวังจะตั้งมาติกาเพื่อจำแนกรูปตามที่ปฏิญญาไว้จึงกล่าวว่าสมุดเทสาดังนี้เป็นต้นการยกรูปขึ้นแสดงโดยย่อชื่อว่าสมุดเทสนยัย การจำแนกรูปด้วยอำนาจรูปอย่างเดียวเป็นต้นชื่อว่าวิภาคะาในที่ชื่อว่าสมุทฐานเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นแดนตั้งขึ้นพร้อมแห่งผลได้แก่ปัจจัยที่ให้รูปเกิดมีกรรมปัจจัยเป็นต้นหมวดแห่งรูปมีจักสุทัสกะกะลาเป็นต้นชื่อว่ากะาปะบทว่าประวัติกกรรมโตจะได้แก่โดยลำดับ ความเกิดขึ้นแห่งรูปทั้งหลายโดยความต่างการแห่งภพการและสัตว์สภาวธรรมที่ชื่อว่ามหาพูดเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเกิดมีคือมีปรากฏเป็นสภาวะใหญ่ด้วยอำนาจธาตุพร้อมทั้งเครื่องประกอบในความสืบต่อแห่งอุปาทินนักสังขารและอนุปาทินนกะสังขาร อีกอย่างหนึง่งสภาวธรรมที่ชื่อว่ามหาพูดเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นที่ปรากฏแห่งความอัศจรรย์หรือความมีไม่จริงมากมายโดยแสดงความแปลกประหลาดน่าอัศจรรย์หลากหลายหรือโดยแสดงความมีไม่จริงเป็นเอเนกประการได้แก่นักเล่นกลเป็นต้น สภาวะธรรมที่ชื่อว่ามหาพูดเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเสมอเหมือนกับความอัศจรรย์หรือความมีไม่จริงมากมายเหล่านั้นเพราะตนเองมีสภาวะไม่เป็นสีเขียวเป็นต้นเลยก็แสดงอุปาทายรูปเป็นสีเขียวเป็นต้นเป็นอาทิได้ อีกอย่างหนึ่งสภาวธรรมที่ชื่อว่ามหาพูดเพราะอัถวิเคราะห์ว่าเป็นที่มีแห่งความไม่จริงมากมายเพราะเป็นสภาวะหลอกลวงเหล่าสัตว์โดยแสดงรูปหญิงและรูปชายอันน่าชอบใจเป็นต้นดุดนางยักษิศีเป็นต้นซึ่งเป็นผู้หลอกลวงเหล่าสัตว์ด้วยรูปและสุดทรงอันน่าชอบใจเป็นต้นฉะนั้น สมจริงดังคําที่ท่านอาจารย์พุทธตะเถระกล่าวไว้ในคมภีอภิธรรมมาวตาลดังนี้ว่าสภาวะธรรมที่เรียกว่ามหาพูดเพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีปรากฏเป็นสภาวะใหญ่หรือเพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีเสมอเหมือนกับความอัศจรรย์หรือความมีไม่จริงมากมายหรือเพราะเป็นสภาวะหลอกลวงเหล่าสัตว์โดยความที่มีไม่จริง อีกอย่างหนึ่งธรรมชาติเหล่าใดชื่อว่าพูดเพราะอัถวิเคราะห์ว่าเป็นที่เกิดมีแห่งอุปาทายรูปทั้งหลายด้วยชื่อว่าใหญ่เพราะมีปรากฏเป็นของใหญ่ด้วยเพราะเหตุนั้นธรรมชาติเหล่านั้นจึงชื่อว่ามหาพูดรูปที่อาศัยมหาพูดเป็นไปชื่อว่าอุปาทายรูปถามว่าถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะ พระบาลีว่ามหาพูสามอาศัยมหาพูหนึ่งดังนี้เป็นต้นมหาพูตรูปแต่ละอย่างย่อมเป็นที่อยู่อาศัยแห่งมหาพูตรูปที่เหลือได้เพราะเหตุนั้นมหาพูตรูปแม้เหล่านั้นจะพึงพ้องกันกันกบอุปาทายรูปหรือซิตอบว่าจะพึงพ้องกันหาไม่ได้ เพราะรูปที่ต้องอาศัยเฉพาะมหาภูต ร, รูปนี้เท่านั้นจึงเป็นไปได้จึงจะเรียกว่าอุปาทายรูปนั้นได้ความจริงรูปใดอาศัยมหาภูต ร, รูปนั่นแลและรูปเหล่าอื่นก็อาศัยตนเองได้รูปนั้นหาชื่อว่าอุปาทายรูปไม่ ส่วนรูปใดอาศัยมหาภูตรูปฝ่ายเดียวรูปอะไรอะไรอาศัยตนไม่ได้รูปนั้นแหลชื่อว่าเป็นอุปาทายรูปเพราะเหตุนั้นภูตรูปทั้งหลายจึงไม่มีความพ้องกันกันกนกบชื่อว่าอุปาทายรูปนั้นอีกอย่างหนึ่งคำว่าจตุนังมหาภูตานังอุปาทายรูปังดังนี้เป็นเครื่องกำหนดให้ทราบถึงอุปาทายรูป เพราะเหตุนั้นภูตรูปทั้งหลายซึ่งอาศัยมหาภูตรูปสามประการเป็นไปจึงไม่จัดเป็นอุปาทายรูปธาตุชื่อว่าปฐวีเพราะอาจว่าเป็นที่รองรับมีคำที่ท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าย่อมปรากฏคือเข้าไปตั้งอยู่โดยเป็นที่อาศัยของรูปที่เกิดร่วมกัน เหมือนปัทวีปกติเป็นที่อาศัยของต้นไม้และภูเขาเป็นต้นฉะนั้นปัทวีนั่นเองชื่อว่าปัทวีธาตเพราะอัถวีเคราะว่าเป็นธาตเพราะทรงลักษณะของตนไว้เป็นต้นเพราะอาจว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะและเพราะเป็นเช่นกับธาตอันเป็นส่วนประกอบแห่งสริระและภูเขาคือปัทวี ชื่อว่าอาโปเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเอิบอาบคือสมทราบรูปที่เกิดร่วมหรือเพิ่มภูนคือพ่อภูนได้แก่ยังสหชาตรูปให้เจริญชื่อว่าเตโชเพราะอัตวิเคราะห์ว่าให้รุ่มร้อนคือให้อบอุ่นหรือให้ย่อยคือให้ภูตรูปทั้งสามที่เหลือเป็นไอุ่นด้วยภาวะแรงกล้า ชื่อว่าวายโยเพราะอานตวิเคราะห์ว่าเคลื่อนไหวคือให้ถึงการประชุมแห่งภูตรูปโดยเป็นเหตุอุบัติของส่วนอื่นๆพึงเข้าใจว่าก็ท่าทั้งสี่นี้มีลักษณะเป็นของเข้นแข็งเป็นของเหลวเป็นความอบอุน่นและเป็นอาการเคลื่อนไหวตามลำดับอานชวิเคราะห์แห่งคําว่าจะขู่เป็นต้นข้าพระเจ้ากล่าวแล้วในหนหลังแล ชื่อว่าภาษาทรูปเพราะมีลักษณะเป็นเหตุแห่งความผ่องใสของมหาภูตรูปทั้งสี่ก็ภาษาทรูปนั้นมีลักษณะทำภูตรูปที่มีกรรมเป็นแดนเกิดเป็นสมุทฐานอันมีความประสงค์จะดูจะฟังจะดมจะลิ้มรสและจะสัมผัสเป็นเหตุให้ผ่องใสตามลำดับบรรดาภาษาทรูปทั้งห้าเหล่านั้น จะกล่าวถึงจักขุูภาษาทรูปก่อนจักขุปภาสาทรูปนั้นซึมซาบตลอดเยื่อตาเจ็ดชั้นประดุดน้ำมันซึมซาบปุยนุ่นทุกชั้นฉะนั้นในประเทศที่เกิดสรีระสันฐานแห่งพวกคนผู้อยู่ตรงหน้าประมาณเท่าศีสะเลนในท่ามกลางแห่งแววตาดำอันธาต์ทั้งสี่มีหน้าที่ทรงไว้สมานให้อบอุ่นและ ให้เคลื่อนไหวกระทำอุปการะแล้วประดุดคติยกุมารอันพี่เลี้ยงทั้งสี่มีหน้าที่อุ้มให้สงสานแต่งพระองค์และถวายงานพระกระทำอุปการะฉะนั้นอันอุตุจิตและอาหารคอยอุปธรรมอันอายุเฝ้าบริบาลอันโคจรรูปมีรูปเป็นต้นคอยแวดล้อม ให้สำเร็จความเป็นวัตถุและทวานแต่วิถีจิตมีจักขุวิญญาณจิตเป็นต้นเป็นไปตามที่ประกอบนวงเล็บส่วนจักขุปัสสาทรูปนอกนี้เรียกว่า ส, สัมภาระจักขุแม้โซตะประสาทรูปเป็นต้นก็สุมทราบตลอดประเทศมีอาการดังวงแหวนมีขนแดงเล็กงอกขึ้นแล้วภายในซองโซตะเป็นไป ซึบทราบตลอดประเทศมีสันฐานดังกลีบแพะภายในนาสิบเป็นไปซืมทราบตลอดประเทศมีสันฐานดังปลายกีบดอกอุบลในถามกลางชิวหาเป็นไปตามลำดับด้วยประการชนีส่วนกายปาษาทารูปนอกนี้แผ่ไปตลอดสรีระทุกส่วนที่เหลือลงเว้นที่ตั้งเตโชธาตอันเกิดแต่กรรมและ ปลายผมปลายขนปลายเล็บและหนังอันแห้งแม้เมื่อเป็นชิ้นนี้กายะประสารูปนั้นก็ไม่ปะปนกันกับจกักรุปราษาทารูปเป็นต้นนอกนี้เพราะมีลักษณะต่างกันจริงอยู่อันดับแรกโคจา ร, รูปมีรูปและรสเป็นต้นแม้ที่มีที่อาศัยร่วมกัน ก็ไม่ปะปนกันเพราะมีความต่างกันแห่งลักษณะแต่ชะไหนประสาทรูปที่มีที่อาศัยต่างกันจึงปะปนกันเล่าเพราะความที่อาโปธาตอันชาวโลกไม่อาจสัมผัสได้เพราะเป็นธาตุละเอียดท่านพระอนุรุทธาาจารย์ จึงกล่าวว่าอาปโปเปสังขาตังความเย็นอันชาวโลกย่อมสมัมผัสจับต้องได้แม้ก็จริงถึงอย่างนั้นความเย็นนั้นก็คือเตโชทาตัน่นเองความจริงเมื่อความร้อนลดลงชาวโลกก็รู้สึกว่าเย็นเพราะคุณอะไรอะไรกล่าวคือความเย็นไม่มี ความร้อนนี้นั้นอันชาวโลกย่อมรู้สึกได้เพราะความรู้สึกว่าเย็นไม่แน่นอนประดุดความไม่แน่นอนในฝั่งน้ำฝั่งนูน้นและฝั่งน้ำฝั่งนี้ฉะนั้นเป็นความจริงอย่างนั้นในหน้าร้อนพวกคนที่อยู่กลางแดดเข้าร่มแล้วก็มีความรู้สึกว่าเย็นในวงเล็บแต่เมื่ออยู่ที่ร่มนั้นแหละนานเข้า ก็จะมีความรู้สึกว่าร้อนก็ถ้าอาโปาธาต์พึงเป็นความเย็นไซก็จะพึงค้นหาอาโปาธาต์ได้แน่ในหมวดเดียวกันกับความร้อนแต่ก็ค้นหาไม่ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครๆจะเข้าใจอาโปาธาต์ว่าเป็นความเย็นไม่ได้แต่พวกอาจารย์ที่พูดว่าความเหลวชื่อว่าอาโปาธาต์และ อาโปธาตนั้นอันบุคคลย่อมสัมผัสถูกต้องได้ดังนี้เพิ่งถูกท่านผู้รู้คัดค้านว่าคําพูดที่ว่าธรรมดาว่าความเหลว อ, อันบุคคลย่อมสัมผัสจับต้องได้นี้เป็นเพียงความเข้าใจของพวกท่านประดุดความเข้าใจในสันฐานฉะนั้นสมจริงดังคําที่ท่านโบราณอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าชาวโลกนี้ สัมผัสภูตรูปสามซึ่งมีปกติอยู่รวมกับความเหลวย่อมเข้าใจแน่วแน่ว่าเราสัมผัสของเหลวบุคคลสัมผัสภูตารูปทั้งหลายแล้วย่อมยึดถือสันฐานด้วยความเข้าใจว่าเราสัมผัสได้โดยประจักฉันใดบัณฑิตพึงทราบความเป็นของเหลวชั้นนั้น ที่ชื่อว่าโคจรรูปเพราะเป็นอารมณ์ของปัญจวิญญาณจิตที่ชื่อว่าโคจรเพราะอธิวิเคราะห์ว่าเป็นที่เที่ยวไปแห่งโคทั้งหลายคือแห่งอินทรีย์ทั้งหลายความจริงคําว่าโคจรนี้เป็นชื่อของอารมณ์ก็โคจรรูปแม้ทั้งห้าประการนี้นั้นมีลักษณะเป็นอารมณ์ของวิญญาณจิตห้ามีจักุวิญญาณจิตเป็นต้น หรือมีลักษณะกระทบทภาษาทรูปทั้งห้ามีจักขุภาษาทรูปเป็นต้นตามลําดับภาวะแห่งหญิงชื่อว่าอิทภีภาวะรูปภาวะแห่งชายชื่อว่าปุริสะภาวะรูปในบรรดาภาวะรูปนั้นอิทีภาวร ะ, าะว ร, าาวรูปมีลักษณะเป็นเหตุแห่งเพศหญิงนิมิตหญิงลีลาหญิงและสวดทสงหญิงปุริสสะภาวะรูปมีลักษณะเป็นเหตุแห่งเพศชายเป็นต้น บรรดาลักษณะหญิงสี่ประการนั้นเครื่องหมายเพศของหญิงชื่อว่าอิถีลิงคะเสียงและความต้องการชื่อว่าอิถีนิมิตเพราะความเป็นปัจจัยแห่งการจําได้หมายรู้ว่าเป็นหญิงอิริยาบถมีการยืนเดินและการนั่งที่ไม่องอาจพึงพายเป็นต้นชื่อว่าอิถีกุตตะ รูปทรงหญิงชื่อว่าอิทิกะปะถึงเพศชายเป็นต้นก็พึงเห็นโดยนัยะดังกล่าวแล้วส่วนในอัตกถาพระอัตรกราจารย์ได้พนานาเพศหญิงเป็นต้นไว้โดยประการอื่นก็ท่านอาจารย์ทั้งหลายรวบรวมข้อความนั้นกล่าวไว้อย่างนี้ว่าสันฐานแห่งอวัยวะมีมือเป็นต้นชื่อว่าลิงคะกิริยามีการยิ้มแย้มเป็นต้นชื่อว่านิมิต การเล่นด้วยกระด้งเป็นต้นชื่อว่าลีลาอิริยาบทมีการเดินเป็นต้นชื่อว่าอากัปปะที่ชื่อว่าภาวรูปเพราะกระทำอธิบายว่าเป็นเครื่องมีปรากฏแห่งการบอกถึงความเป็นหญิงเป็นต้นและแห่งการรู้ว่าเป็นหญิงเป็นต้นก็ภาวรูปทั้งสองนี้นั้นแผ่ไปอยู่ทั่วร่างกายทุกส่วนเหมือนกายินสีฉะนั้น ที่ชื่อว่าหะไทยวัตถุเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นวัตถุเพราะเป็นที่อาศัยของมโนท่าจิตและมะโนวิญญาณท่าจิตคือหะไทยกิงอย่างนั้นหะไทยวัตถุนั้นมีลักษณะเป็นที่อาศัยของท่าจิตทั้งสองด้วยว่าหะไทยวัตถุนั้นอาศัยโลหิตประมาณกึ่งฝ่ายมือภายในซองหัวใจเป็นไป อันหัายวัตุนี้แม้พระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ตรัสไว้ในรูปประกันก็พึงเห็นว่ามีทั้งโดยที่มาและโดยเหตุอันควรในสองอย่างนั้นพระบาลีประธานอันมาแล้วอย่างนี้ว่ามโนท่าจิตและมโนวิญญาณท่าจิตอาศัยรูปใดเป็นไป รูปนั้นเป็นปัจจัยโดยนิสยาปัจจัยของมโนท่าจิตมโนวิญญาณท่าจิตและทำที่สมบยุต์ด้วยท่าจิตทั้งสองนั้นดังนี้ชื่อว่าปรกรณ์ที่มาส่วนเหตุที่เหมาะสมบัณฑิตพึงเห็นอย่างนี้ว่าท่าจิตทั้งสองของกามาวจรั์และรูปาวจรัร์มีอุปาถยรูปที่อยู่ในหมวดนิพนธรูปเป็นเครื่องรองรับเพราะมีความเป็นไปเนื่องด้วยรูป เหมือนธาตุจิตทั้งหลายมีจักุวิญญาณธาตุจิตเป็นต้นมีจักุปัสาทรูปเป็นต้นเป็นเครื่องรองรับฉะนั้นธาจิตทั้งสองนี้ไม่ใช่อาศัยปัสาทรูปมีจักุปัสสาทรูปเป็นต้นเพราะจะักุปัสสาทรูปเป็นต้นนั้นเป็นที่รองรับธาตุจิตอื่น แม้จะอาศัยโคจรรูปมีรูปอารมณ์เป็นต้นก็ไม่ใช่เพราะโคจรรูปมีรูปอารมณ์เป็นต้นนั้นมีความเป็นไปแม้ในภายนอกและแม้จะอาศัยชีวิตรูปก็ไม่ใช่เพราะชีวิตรูปนั้นมีการประกอบในกิจอื่นทั้งจะอาศัยภาวะรูปทั้งสองก็ไม่ใช่เพราะแม้เมื่อไม่มีภาวะรูปทั้งสองนั้นก็ยังเป็นไปได้ฉะนั้น หาไทยวัตถุอันอื่นจากรูปทั้งหลายมีจักกุป萨สารูปเป็นต้นนั้นพึงทราบว่าเป็นอุปาธายรูปแต่หาไทยวัตถุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มิได้ตรัสไว้ในพระบาลีธรรมสังคณีโดยความต่างกันแห่งการแสดงวัตถุทุกกะและอารัลพณทุกกะรูปที่ชื่อว่าชีวิตเพราะอัถวิเคราะห์ว่า เป็นเหตุเป็นอยู่แห่งเหล่าชาตธรรมชีวิตรูปนั้นแลชื่อว่าเป็นอินทรีเพราะประกอบด้วยความเป็นใหญ่ในการหล่อเลี้ยงกรรมชรูปเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าชีวิตินทรีจริงอย่างนั้นชีวิตินทรีนั้นมีลักษณะหล่อเลี้ยงกรรมชรูป ก็ชีวิตตินรีนี้ชื่อว่าเป็นตัวหล่อเลี้ยงสาสชาตรธรรมทั้งหลายแม้ที่มีปกติตั้งอยู่ชั่วขณะจิตตามปัจจัยของตนเพราะเป็นเหตุให้สาชาตธรรมทั้งหลายเป็นไปได้นั่นเองเพราะกรรมเพียงอย่างเดียวจะชื่อว่าเป็นเหตุตั้งอยู่แห่งสาชาตธรรมเหล่านั้นเหมือนอาหารเป็นต้นเป็นเหตุตั้งอยู่แห่งอาหาราชรูปเป็นต้นฉะนั้นหาได้ไม่ เพราะขณะนั้นกรรมยังไม่มีอันหนึ่งชีวิตตินสีนี้ย่อมซึมซาบเป็นไปตลอดร่างกายที่มีใจครองทุกส่วนพร้อมกับไฟที่ย่อยอาหารที่ชื่อว่ากวลีการอาหารเพราะอาธวิเคราะห์ว่าอันบุคคลทำให้เป็นคําแล้วกลืนกิน ก็คำว่ากัลีการาหานี้ท่านอาจารย์กล่าวไว้เพื่อแสดงถึงอาหารกระทำให้เป็นไปพร้อมทั้งที่ตั้งที่เกิดแต่โอชาซึ่งเป็นยางเหนียวแห่งอาหารที่พึงกลืนกินกล่าวคือความซึมซาบแห่งรสที่ซึมไปตามอวัยวะน้อยใหญ่อันเป็นเหตุค้ัมจุนร่างกายพร้อมทั้งอินทรีย์ชื่อว่าอาหารรูปในรูปสมุทเทสนายนี้ จริงอย่างนั้นอาหารนี้มีลักษณะเป็นเหตุเครื่องคขำจุนร่างกายพร้อมทั้งอินทรีย์หรือมีลักษณะนํารูปมีโอชาเป็นที่แปดมารูปสิบปดประการชื่อว่าสภาวะรูปเพราะเป็นธรรมชาติจะค้นหาได้แน่นอนตามสภาวะของตนของตนมีความแข็งกระด้างเป็นต้นที่ชื่อว่าสลักขณะรูปเพราะอัตวิเคราะห์ว่า เป็นไปร่วมกับลักษณะทั้งหลายมีอุปาทขณาเป็นต้นหรือกับลักษณะทั้งหลายมีอนิจจลักษณะเป็นต้นที่ชื่อว่านิพนธรูปเพราะภาวะแห่งรูปสิบแปประการเว้นภาวะแห่งปริเฉ ท, ทรูปเป็นต้นสําเร็จได้ด้วยปัจจัยทั้งหลายมีกรรมเป็นต้นตามสภาวะของตนนั่นเองสภาวะที่มีความเปลี่ยนปแปล่ชื่อว่ารูป แม้ธรรมชาติที่ประกอบด้วยสภาวะที่มีความเปลี่ยนแปรนั้นก็ชื่อว่ารูปเหมือนคำว่าคนเป็นโรคฤทธิ์สีดวงดอกอุบลเขียวฉะนั้นสับว่ารูปนี้นั้นย่อมเป็นไปได้แม้ในสภาวะที่ไม่ใช่มีความเปลี่ยนแปรนั้นเพราะภาษาเจริญขึ้นเพราะเหตุ น, นั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงกล่าวให้แปลกออกไปด้วยสัพว่ารูปะอีกศัพท์หนึ่งว่า รูปะรูปังเหมือนคำว่าทุกขะทุกขังฉะนั้นที่ชื่อว่าส ม, มะสะรูปเพราะความเป็นธรรมชาติที่ควรเพื่อประโยคาวจรจะพิจารณาโดยยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์เหตุภาวะแห่งรูปสิบแปดประการนั้นยกเว้นภาวะแห่งปริเฉทรูปเป็นต้นเสียจะค้นหาได้แน่นอน ตามภาวะของตนนั่นเองที่ชื่อว่าอากาศเพราะอัตวิเคราะห์ว่าทําให้เป็นรอยไม่ได้อากาศนั่นเองเป็นอากาศอากาศนั้นชื่อว่าเป็นธาตุเพราะอาจว่าไม่ใช่ชีวะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอากาศธาตุรูป อันเป็นเขตแดนเครื่องกำหนดด้วยอำนาจทำรูปที่อยู่ในกลาบแต่และอย่างมีจักขุทศกกะกลาบเป็นต้นให้ถึงความไม่ปะปน ก, นกันกับกะลาบอื่นๆหรือที่กะลาบเหล่านั้นกำหนดหมายหรือเพียงเป็นเครื่องกำหนดหมายกะลาบเหล่านั้นชื่อว่าปริเคทรูป ความจริงปริเชตารูปนั้นย่อมเป็นดุดตัดรูปกระลาบนั้นๆให้ขาดจากกันได้ก็เมื่อความที่ภูตา ร, รูปที่อยู่ในกระลาบอื่นเป็นธรรมชาติอันภูต ร, รูปซึ่งอยู่ในกระลาบอื่นอีกถูกต้องได้แม้มีอยู่ความเป็นธรรมชาติว่างจากรูปนั้นนั้นคือที่สุดแห่งรูปชื่อว่าอากาศก็ อากาศนั้นเป็นแดงกำหนดเขต ร, รูปกรลาบเหล่าใดตนเองอันรูปกรลาบเหล่านั้นหาถูกต้องได้ไม่เลยเมื่อกำหนดเนื้อความนอกไปจากนี้ความเป็นปริเขทรูปจะไม่พึงมีเพราะรูปทั้งหลายเหล่านั้นถึงความเป็นธรรมชาติเจือปนกันความจริง ความที่รูปเป็นธรรมชาติไม่เจือปนกันก็คือความที่ภูตรูปที่อยู่ในกลาบอื่นอันภูตรูปซึ่งอยู่ในกลาบอื่นถูกต้องไม่ได้เหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอันมหาภูตรูปสี่ถูกต้องไม่ได้เป็นต้น ธรรมชาติที่ชื่อว่ากายวิญญติเพราะอัถวิเคราะห์ว่ายังคนอื่นให้รู้ความประสงค์ด้วยกายที่เคลื่อนไหวอยู่และตนเองก็รู้ความประสงค์ได้ด้วยกายที่เคลื่อนไหวอยู่นั้นที่ชื่อว่าวจีวิญญติเพราะอัถวิเคราะห์ว่ายังคนอื่นให้รู้ความประสงค์ด้วยวาจากล่าวคือเสียงที่มีจิตสั่งให้พูด และตนเองก็รู้ความประสงค์ได้ด้วยวาจาก่าวคือเสียงที่สั่งให้พูดนั้นในวิญญาตรูปสองนั้นความเปลี่ยนแปลงแห่งวาโยธาซึ่งมีจิตอันเป็นธรรมชาติยังความคิดจะก้าวไปข้างหน้าเป็นต้นให้เกิดเป็นสมุดฐาน อันเป็นเหตุทําร่วมกันในการค้าจุนทรงอยู่และการเคลื่อนไหวแห่งรูปที่เกิดร่วมกันที่พ้นจากกายที่เคลื่อนไหวอยู่ในวงเล็บเองและวาโยธาตที่เป็นเหตุให้กายไหวอันบุคคลได้อยู่โดยความเป็นปัจจัยแห่งความเคลื่อนไหวแห่งรู ป, ปรกายดุจ ความเปลี่ยนแปลงแห่งความอุตสาหะในเวลาที่คนยกหินแผ่นใหญ่ถือด้วยกำลังทั้งหมดชื่อว่ากายวิญญติความจริงกายวิญญตินั้นยังคนอื่นให้รู้ความประสงค์ด้วยกายที่เคลื่อนไหวอยู่ก็ในความเคลื่อนไหวแห่งต้นไม้เป็นต้นที่เว้นจากความเปลี่ยนแปลงคือวิญญาติ บัณฑิตไม่เห็นการกําหนดรู้ความประสงค์ว่าต้นไม้นั้นให้ทําการนี้ดังนี้แลและตนเองก็รู้ความประสงค์ได้ด้วยกายเพราะชวนจิตที่เกิดทางมโนทวานอันมีในลําดับไม่ปรากฏกําหนดรู้อยู่ในลําดับต่อจากการกําหนดรู้ความประสงค์แห่งกายที่เคลื่อนไหวอยู่ ในการเคลื่อนไหวแห่งมือเป็นต้นถามว่าก็การเคลื่อนไหวแห่งมือเป็นต้นมีได้ด้วยอำนาจวิน ญ, ญัติอย่างไรข้าพเจ้าจะกล่าวเฉลยบรรดาชวนะทั้งเจ็ดในวิถีจิตที่มีอาวชนะจิตหนึ่งวายโยธาอันมีชวนะจิตดวงที่เจ็ดเป็นสมุทฐานประกอบด้วยความเปลี่ยนแปลงคือ วินยติได้รับความอุปธรรมแล้วจากเล่าวายโยธาอันมีปฐมชาวนาจิตเป็นต้นเป็นสมุดฐานย่อมยังจิตตชรูปให้เคลื่อนไหวเพราะเป็นเหตุแห่งการเกิดขึ้นในส่วนอื่นส่วนวายโยธาที่เกิดแต่ชาวนาจิตดวงที่มีก่อนเป็นต้นทำหน้าที่เพียงค้ำจุนและส่งไว้ ย่อมมีเพื่ออุปการะแก่วายโยธาที่มีโวนจิตดวงที่เจ็ดเป็นสมุดฐานนั้นเปรียบเหมือนในเกวียนที่จะต้องลากไปด้วยแอกเจ็ดแอกคู่โคที่เขาเตรียมไว้ในแอกที่เจ็ดเท่านั้นได้รับความช่วยเหลือจากคู่โคที่เขาเตรียมไว้ในแอกหกแอกเบื้องหลังจึงยังเกวียนให้เคลื่อนที่ได้ ส่วนคู่โคที่เขาเทียมไว้ในแอกที่หนึ่งเป็นต้นให้สําเร็จกิจเพียงช่วยเหลือและส่งไว้เป็นต้นเท่านั้นมีเพื่ออุปการะแก่คู่โคที่เขาเทียมไว้ในแอกที่เจ็ดเหล่านั้นฉันใดข้ออุปมาันนี้บัณฑิตพึงเห็นฉันนั้นก็ในอธิการว่าด้วยกายวิญญจตินี้ความเคลื่อนไหวคือการเกิดขึ้นในส่วนอื่นเพราะ คำทั้งหลายจะย้ายไปจากส่วนที่เกิดขึ้นแล้วแม้เพียงปลายเส้นผมเส้นเดียวก็ไม่ได้เมื่อกำหนดเนื้อความนอกไปจากนี้จะไม่พึงมีความที่ทำทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีความพยายามและความเป็นไปได้ชั่วขณะบัณฑิตพึงเห็นความตกลงใจว่าก็ความเกิดขึ้นของตนในที่นั้น พร้อมกับสหาชาตรูปเหล่านั้นนั่นเองเปรียบเสมือนรูปที่เกิดร่วมกับตนย่อมเกิดขึ้นในที่อื่นจากที่อันรูปซึ่งตั้งขึ้นจากโชนจิตดวงก่อนตั้งอยู่ฉะนั้นชื่อว่าภาวะเป็นเหตุเกิดขึ้นในส่วนอื่นก็ในบรรดารูปนี้เมื่อจิตตาชรูปไหวแล้วแม้รูปนอกนี้ ก็ไหวตามเพราะเนื่องกับจิตตชรูปนั้นเปรียบเหมือนก้อนโคลไม้แห้งที่บุคคลทิ้งลงในกระแสแม่น้ําเมื่อน้ํากระเพื่มก็กระเพื่มตามฉะนั้นวายโยธาซึ่งมีชวนาจิตดวงที่หนึ่งเป็นต้นเป็นสมุทฐานแม้เมื่อไม่สามารถจะให้ไหวได้อย่างนั้นก็ชื่อว่าเป็นไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงคือวิ ญ, ญิตินั่นเองเพราะ เกิดมีความเปลี่ยนแปลงคือความมุ่งหน้าตรงต่อที่สาภาคที่บุรุษนี้ต้องการให้จิตมีการก้าวไปข้างหน้าเป็นต้นเป็นไปก็เพราะอธิบายความดังว่ามานี้ท่านพระอนุรุทาจารย์จากกล่าวว่าแม้มโนทวาราวชนะจิตก็ให้วิญยติรูปตั้งขึ้นได้ การเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งแห่งปะทวีธาตุซึ่งมีจิตคิดจะเปล่งคำพูดเป็นสมุิฐานเป็นปัจจัยกระทบกับอุปาทิ น, นรูปวงและเปิดรูปที่มีใจครองวงและปิดซึ่งอยู่ในที่เกิดขึ้นแห่งอักษรชื่อว่าวจีวิญญตัติก็คำที่ข้าพเจ้าจะพึงกล่าวในวจีวิ ญ, ญัติรูปนี้ บันดิตพึงค้นดูได้ตามนายัยยะที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วในกายวิญญัติรูปส่วนความต่างกันมีดังต่อไปนี้ในกายวิญญัตินิเทศนั้นข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าในลำดับต่อจากการกำหนดรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ชั้นใดในวจีวิญญัตินิเทศนี้บันดิตพึงประกอบคำว่า ในลำดับต่อจากการฟังเสียงที่ได้ยินอยู่ฉันนั้นก็ในวจีวิญญาณตินิเทศนี้ย่อมไม่ได้นัยะเป็นต้นว่าเกิดขึ้นจากชวนะจิตดวงที่เจ็ดเพราะไม่มีกิจมีการช่วยค้ำจุนเป็นต้นความจริงเสียงย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับการกระทบทันทีและการกระทบก็หาได้แน่แท้แม้ในชวนาจิตดวงที่หนึ่งเป็นต้นไป ก็ในวจีวินยตินิเทศนี้มีข้ออปมาที่ทั่วไปแก่วินยติรูปทั้งสองดังนี้ว่าเปรียบเหมือนเพราะเห็นรูปศรีรษะโคและใบตานเป็นต้นที่บุคคลช่วยกันยกขึ้นผูกไว้วิธีโชนะจิตที่เกิดทางมโนทวารซึ่งมีลำดับไม่ปรากฏ เป็นไปในลำดับต่อจากการเห็นรูปสีสกโคเป็นต้นนั้นกำหนดรู้เครื่องหมายแห่งสีสกโคเป็นต้นว่ามีปกติไปร่วมกับน้ำแล้วย่อมกำหนดรู้ว่ามีน้ำชันใดเพราะกำหนดรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่และเสียงที่บุคคลเปล่งอยู่วิถีจิตที่เกิดทางมโนทวารซึ่งมีลำดับไม่ปรากฏ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับความตกลงกันไว้ก่อนเป็นที่อิงอาศัยเป็นไปในลำดับต่อจากการกำหนดรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เป็นต้นนั้นย่อมกำหนดรู้ความเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งความหมายวงเล็บเปิดความต้องการวงเล็บปิดได้ชั้นนั้นความเบาแห่งรูปชื่อว่ารูปะรหูตาความอ่อนโยนแห่งรูปชื่อว่ารูปะมุทุตา ความควรแก่การงานแห่งรูปชื่อว่ารูปะกรรมัญยตาบันฑิตเพิ่งเห็นความหมายว่าก็ความเป็นไปแห่งรูปเหล่านี้คือความที่รูปไม่หนักดุดรูปของคนไม่มีโรคฉะนั้นชื่อว่ารูปะละหุตาความที่รูปไม่แข็งกระด้างดุดแผ่นหนังที่ฟอกดีแล้วฉะนั้นชื่อว่ารูปะมุทุตา ความที่รูปคล้อยตามกิริยาแห่งร่างกายดุดทองคำที่หลอมดีแล้วฉะนั้นชื่อว่ารูปกรรมมั ญ, ญาตาตามลาดับบัณดิตกล่าววิการรูปสามประการมีรูปลาหุตาเป็นต้นแม้จะไม่พรากจากกันและกันว่าต่างกันโดยเป็นรูปที่ยิ่งด้วยความเปลี่ยนแปลนั้ น, น, นความจริงความเปลี่ยนแปลแห่งรูป ซ created, ึ่งมีปัจจัยอันเป็นข้าศึกต่อความกำเริบแห่งธาตุที่กระทำความเฉื่อยชาเป็นสมุดฐานชื่อว่ารูปะลหูตาความเปลี่ยนแปลงรูปซึ่งมีปัจจัยอันเป็นข้าศึกต่อความกำเริบแห่งธาตุที่ทำความแข็งกระด้างเป็นสมุทฐานชื่อว่ารูปะมุทุตาความเปลี่ยนแปลงรูปซึ่งมีปัจจัยอันเป็นข้าศึก ต่อความกำเริ่มแห่งธาตุที่ทําความไม่คล้อยตามกิริยาแห่งร่างกายเป็นสมุดฐานชื่อว่ารูปะกัมมัญญาตาแลความก่อเกิดเริ่มแรกชื่อว่าอุปจัยรูปอธิบายว่าความก่อเกิดครั้งแรกเพราะสัา์ว่าอุปสองอัดว่าครั้งแรก ดุจในประโยคมีอาทิว่าอุปยาตังดังนี้ความสืบต่อชื่อว่าสันตติรูปอธิบายว่าความสืบเนื่องกันบรรดาอุปจารยรูปและสันตติรูปทั้งสองประการนั้นความเกิดขึ้นแห่งรูปเริ่มต้นตั้งแต่ปฏิสนธิการจงจนถึงจักขุทสกกะกลาเป็นต้นเกิดในระหว่างนี้ชื่อว่าอุปจารยรูป ต่อใด น, นั้นไปชื่อว่าสันติรูปความแก่คร่ําคร่าแห่งรูปที่ตั้งอยู่เพียงชั่วขณะตามปัจจัยของตนด้วยอํานาจความเป็นธรรมชาติมุ่งตรงต่อความดับชื่อว่าชราชรานั่นเองเป็นชรตาที่ชื่อว่าอน ja ิจจเพราะอัตวิเคราะห์ว่าไม่พึงไปคือไม่พึงเข้าถึงโดยสภาวะที่เที่ยงและ ยั่งยืนภาวะแห่งอนิจจะนั้นชื่อว่าอนิจจตาได้แก่ความแตกสลายแห่งรูปที่ชื่อว่าลัคนารูปเพราะเป็นเหตุกาหนดธรรมทั้งหลายด้วยอำนาจการกาหนดนั้น น, นบทว่าชาติรูปะเมวะความว่ารูปเกิดนั่นเองกล่าวคือชื่อว่าชาติเพราะความเป็นที่เกิดขึ้นแห่งรูปทั้งหลายทุกๆุกขณะ เริ่มต้นตั้งแต่ปฏิสนธิจิตไปและสมมุติชื่อว่ารูปเพราะมีความเป็นไปเนื่องกับความเปลี่ยนแปลงโดยความเกิดขึ้นแห่งความเปลี่ยนแปลงท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์กล่าวโดยภาวะแห่งอุปาจยรูปและสันตติรูปเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสจำแนกไว้ว่าอุปาจยรูปสัน ต, ติรูปดังนี้ด้วยอำนาจเวไนยสัตว์ โดยความต่างอาการเป็นไปกล่าวคือความบังเกิดครั้งแรกก็เพราะอธิบายความดังกล่าวแล้วอย่างนี้ในนิเทศแห่งลัคณารูปทั้งสองประการนั้นเพื่อจะแสดงความไม่ต่างกันโดยความหมายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าความก่อเกิดแห่งอายตนะทั้งหลายใดความก่อเกิดอั น, นั้นชื่อว่าความก่อเกิดเริ่มแรกแห่งรูป ความก่อเกิดเริ่มแรกแห่งรูปใดความก่อเกิดเริ่มแรกแห่งรูปนั้นชื่อว่าความสืบต่อแห่งรูปบทว่าเอกาทัสวิธรรมปิได้แก่แม้มีสิบเอ็ดประการด้วยอำนาจรวบรวมรูปที่มีส่วนเสมอกันรูปพึงมียี่สิบปดประการคือภูตรูปสี่ปสาทรูปห้าโคจรารูปสี่ภาวะรูปสองหันทยะรูปหนึ่ง รวมกับรูปสองคือชีวิตรูปหนึ่งอาหารรูปหนึ่งชื่อว่านิพพนรูปสิบแปดอย่างอหหนึ่งและรูปประธรรมสิบประการเหล่านี้คือปริเฉทรูปหนึ่งวิญญัตทรูปสองวิกาลรูปสามลักษณะรูปสี่ชื่อว่าอหนิพพนรูปเพราะรูปทั้งหลายเว้นภาวะแห่งปริเฉทรูปและวิกาลรูป เป็นต้นเสียไม่บังเกิดด้วยปัจจัยทั้งหลายผานแผนกหนึ่งบัดนี้เพื่อจะแสดงในยะแห่งรูปทั้งหลายมีรูปอย่างเดียวเป็นต้นตามที่ยกขึ้นแสดงไว้แล้วท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงกล่าวคำว่าสัพพันจะปเนตังดังนี้เป็นต้นรูปทั้งหมดนั้นชื่อว่าอเหตุุกะเพราะไม่มีสัมพยุตตาเหตุมีอะโลภะเหตุเป็นต้น ชื่อว่าสปัป จ, จยะเพราะมีปัจจัยตามที่เป็นของตนชื่อว่าสาสวะเพราะเกิดพร้อมกับกามาสวะเป็นต้นที่ปรารบตนเป็นไป